ก็ขูดมาเข้าไปบอกเลยเยว้ย่ิดกฎหนีจากการขวดคุ้มของ โ, อโอนหนเสือกั้วเล็ดลื่นอย่างนันแหละแต่โดยความจริงโหนเสือขั้วก็ไม่ได้ขวกคุ้มอะไรกานใดรอกก็ด้วยความเชื่อเหมืนนอนย่งปืนฝังอยู่เป็นมาเชื่อเนี่ยบ้านสายก็ขกมาเข้าไปบอกเลยเวยผิกระเบียนอปอทับเลยนะพากระบอกมาปีลอกหลัง ทีนี้าหารของต้านไทยที่ตามมาข้างหลังนั่นละ่ะก็ไล่ฟันกระุบหลังเข้ามาทหารของโมโหเสียวกวัดแห่งเวนเกียงน่ะก็โตกันไปในหนุ่มจิขุ ด, ดักโแล้วทางมาทางข่มเียดย่าทับผมเจ็บปวดล้มตายเป็นอันมากทีเดียวที่ตกลงไปก่อนนะก็แม่นอนละทหารที่เหลือตายเหล่านั้นก็ยอมเข้าเดวกับต้านไายฝ่าโมโหและเสียวกวัด าานายสหารของปีส อ, องเห็นมีเกียงเนี่ยจนแพร้รู้เขาจะนี้อับจนซึ่งผมทางเข้าน่ะกดแขนใจตัวเองยิ่นะกดชักาปาเชือกคอตัวเองตายทั้งสองคนไปเลยเป็นเรื่องของทานกลา้าติดไม่เรื่อททาอะไรไม่ได้นิสือว่าเปนที่กลา้าหะไม่ยอมให้ใครสัจรูดจัดตัวกเป็นเฉ่นอ่ะทำไรชวย ต, ตัวเองสิ ขันธุ์ชเช้ากล้วยเหนยกับป้านไถ่ก็ยกเข้าปีปีสองจะมีเกียงสู้ตายูแบนเมืองอันหนังมันปีสองรู้ว่ากองทัพผมตนที่ส่งไปโหนเสียว้วหมวกแต้ลัคนกองทัพเห็นทัพป้านห่ากน้วยมันยก็มีความแค้นนักละปีสองขี่ม้าคุมหาออกมาจากห้าดตัวเองเลย ภายทหารของล้หวหวยและตั้งถายเห็นทหาของปีสองนันน้อยนะ ก, ก็เข้าปืนจับตัวปีสองได้มัดเอาตัวทำเจ้าจมือเกียงมาให้แกตัวหวยลัหวหวยเห็นใช่ั้นก็ทำเป็นตกใจเงนจากหลังมาข น, น, นี้นขมันก็ไปแก้ปีสองออกแล้วก็จึงพูดว่าพระเจ้เจอหองสุนพรเมศาทึานนะ ว่าเป็นคน ส, สัตว์ูตั้งกถไฟคอที่จะชุบเรียนท่านเหตุใดอ่ะทาจึงไปเข้าบิดเกีงนี้ที่เป็นคนหยากช้าดีกล้วยหวยเธอทาอย่างนี้ที่สองเทียนนั้นก็เลยนกนกขอชีวิตแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าจะขอเป็นข้าของพระเจ้าโจฮองกล้วยหวยก็หยุดพักเรานันะ้น ก็ขอท่านจะไม่ตั้งใจรับใช้ในราชการพระเจ้าตัวหงเทิคือ ท, ท, ท่านจงเป็นพักมากยกไปปีเตียงอื่ซึ่งล้อมสุมาเกียวไวัถ้าเสนอราชการแล้วเราจะทูลยกความชอบให้ีต๋องซึ่งยกพับมาเนี่ยก็ต้องเรียกวัาด้วยสิ่งบรมของจุลินีละมัดนีแ้และความมีใจที่ตกเกีย่ยมเลยจะหรืออะไร แล้วเมื่อหึนการเป็นพ่อปู่หวยเช่นดีด้ว่ยคนเองถูกจับผูกมัดต้งตายแน่แต่เขาก็บับมดมัดแก่มัดให้เป็นเจราจา ด, ดูดีเช่นี้ก็ยอมรับการนี้มีสองก็รับอาสาหรยทีละเพระเวลาครก็คุ้มัานยกไปเป็นทัพมาครันเวลาสามอย่างก็เข้าไป ใ, ใกล้ค่ายของเกียร์อุ้ก็ชายฐานไปบอกเกียร์อุ้ว่า กองทับปิดต่องมืเขียงมาถึงแล้วฝ่ายเกียง์อุย่ยไม่ได้รู้เรื่องราวเลยวัดทับมือเขียงปีดตองเป็ น, นยังประการใดไมไ ด, ด้รู้เลยก็ดีใจนะก็สั่งฐานออกไปว่าให้เชิญปีดตองเข้ามาเถอะปีดตองก็ฐานของตัวแต่ก็ฐานของอุ้ยอยู่ไรอยู่แหละเข้าไปด้วยกันเป็นอนมาสทีเดยวเกียงหอื่นีะประวัติใจนะก็ถือว่า ทหารตั้งค่ายอยู่แต่ข้างนอกเถอะเชิญท่านกับทหารที่ตามหลังนั้นเข้ามาปี๋สองก็พาฐานกล้วยหัและฐานของตัวซึ่งมีฝีมือประมาณร้อยหนึ่งเข้าไปในค่ายเพียงอุยกับแหววก็ออกมารับปี่สองเข้าไปดนค่ายปี๋งยังมีท่านทได้สั่งให้ทาการดะฝ่ายทหารของปี๋สองก็ตัวเลว่าทหารของกน้วยหัว่เลยแหละ เห็นด้ชีฉะนั้นอนะ่ะก็เข้ารายลุกมันข่าความฐานของเกียร์อวุนวายขึ้นในค่ายอะ่ะทีทหารอีกมากมายที่อยู่นอกค่ายนี่นแหละก็ตีก็นาแผดค่ายเข้าไปช่วยกันเกียร์อูน่ก็ตกใจนะักมิทันกะช่วยอาวุธไปซ้าไปเพนขึ้นหลังม้าหนีไปเลยทหารตะวันอู๋ออกจะใกระจายกระ จ, กก จ, กกจนหนีไปเกียง์อู๋ลไม่มยเอาเลย คว้าหาเกาพันที่ซอุก็มีแต่คาเกาพันเท่านั้นแต่ลูกเกาพันน่ะตกชนหนอกแล้วฝายอุ้งเห็นเกียร์หนีหนีฉะนั้นหวก็ควบ ม, มาไล่ตามไปเพียรนีก็ยิงเหมืกันยิงแตเกาพันเปล่าคือดึงดูกเกาพันบอกทำผ้ายิงเอาอย่างั้นแหละสมบัดสายกเกาพันมันหงุง เวยอนะไม่ยิ้มแต่เสียงแต่เสียงเกาทันอนะแต่หาดูลูกเกาทันมนาะหวยก็เอาห อ, อกซัดทาเป็นลูกเกาทันยิ้นไปเพีย ง, งนะิดนี้นั้นฝูงมีรถมาเป็นที่ยิ้อยู่ดังกล่าวแล้วเลือกหวยเอาห อ, อกซัดมาทาเป็นลูกเกาทันยิ้ไปนั่นนะเพียงนก็ถวได้ห อ, อกซัดของเงื่อนหวยนะนะั่นแหะ หมันี้ก็เป็นเกียง์อื่นที่มีอาวุธอยู่ในมือล่ะเกียรอืนก็ชัดมารออยูน่นะให้กล้วหวยเข้าไปใกล้คะเล็ยนี้ก็เอาเอาห อ, อกซัดของกล้วยหยที่ตนชิงได้ล่ะมาทำไป็ูลูกกาะพานไม่เหมือนกันแล้วก็ยิงด้วยห อ, อกสัดเล่ม น, นี้แหะไปถูกกล้วยหอยตอจกจากหลังม้าลงเกียง์อื่นก็ถึงมากลับมาชิงได้ทนคู่มองอุ้ยหวยน่ะ ก็เงียบแจ็ตแข่งพอดีฐานคุ้ยหวยตามมาทันเขากุมมือกันเข้ามาได้ทันทีจีนก็จำต้องหนีไปาหารของกุ้ยหวยก็พากุ้ยหวยกลับเข้าไปในค่ายแต่พอชัดออกออกได้เท่านั้นโลหิตในไหลออกมามากมะกุ้ยหวยก็ถึงแก่ความตายสุมาจิองก็สามารถ พาฐานลงจากภูเขามาช่วยลายติดตามฆ่าสุดได้ไฟแหวบปานก็มีเหมือนการค่ายแตกแล้วหนิก็มีไปพกับเตียอนอีเข้าในที่สุดก็พากันกลับไปยังเฮียนหันตงหรือจว่พาพแพกยับเยินกลับไปสู่หันตง หยกิังลแล้วทั้งสองตัวนาผู้ใหญ่ดิคือเกียรติมืแอลวอปปาก็หนห้าก็ปริกษากันว่าเราไปทับครั้งนี้เสียทานมากมายนะแต่ว่าก็ได้เปรียบอยู่หน่อยนึงเด้กเด่าล้างม้านมีฝีมือใหญ่ได้สองคนมีสองคนก็คือชี่จิตคนดนและก็รวยหวยเลี้คน โ อ, อ, อ, อยตัวเอเป็นคู่แคนของแห่ลพาเลยทีเดียวล่ะเฝาก็วาเดือ้อนทางใหญ่ได้สองคนทหารน้ยก็ ล, ล้มไปเราเป็นอันมากความผิดเราก็มีความชอบเราก็มีถึงจะขับไปเฝ้าโอนจะไม่พอเป็นไรปรึกษากันแล้วมันมีคำยืนเสแย้จเช่นนี้ว่าแล้วก็พากันไปเสยชวน ข้าไปเฝ้าพราะเจ้าเล่าเสียงเป็นอันว่าเยียงปุยแห่งเสชวนผ่านแพ้มีกบโลกเอียงสุมาเดียวกลับไปเป็นครั้งที่สองแล้วก็ไม่ต้องโทษต้องทานประการใด มีแต่รายงานผลการสู้รบแล้วทีนี้ข้างฝ่ายซูมาเิียก็ให้รางวัลแต่ปีสองหละ่ะปีสองอยู่ผู้บาดแพลแล้วก็ยอมรับใช้ราชการซูมาเกียก็ให้รางวัลแต่ปีสองและถามท่านตวงตามสมคือแล้วก็สั่งว่าทำจนกลับไปบ้านไปเมืองเถอพระเจ้า กลับไปเมืองหลจะเข้าฝ้ากราทูนความชอบให้ปีของผู้ต้องเสือฐานเอกไปสองเอาก็ราพาฐานกลับไปเมืองเขียงสุมาเกียวก็ยกทัพ ก, กลับไปเมืองโลกเขียงฝ่ายสุมาสูงสุมาเกียวก็ได้วาจัดการเมืองวีกก็เดียวกัสุมาสูงเป็นใาญ่ฝ่าย ด่านพลเรียนสุมาเกียวเป็นใหญ่ด่านฝ่ายทหารทั้งปวงก็กุมอมำมนาจเบี่ยงเโลกเหียงวิกก็โลกเกหกกเกียงไว้สิ้นละบรรดาคุนนาผู้ใหญ่ผู้น้อยก็อ ย, อยู่ในบังคับบัญชาทั้งสิ้นจะผิดและชอบประการใดก็หาผู้ใดทัดผ่านไม่ฝ่ายพระเจ้าโจฮองออกวารชการเห็นหน้าสุมาสู ก็มีความลวกลัวเกลงนะวันสูมาสูก็ถึงกระบีเดินเข้าไปเฝ้าพราะเจ้าโจฮองตนบะใจถึงกับลื่ม อ, อนลงจากพระที่นั่นแล้วก็เสด็จออกไปรับสูมาสูเลยที่เดียวหนุพระเจ้าโจหองสูมาสูก็หัวเราะแล้วก็จิงหวะมีรมนมี จะออกมาต้อนรับข้าเชิญเสด็จขึ้นไปนั่งนบนที่เถิดจึงจะสมควรอีสุมาสูก็ทำสิ่งนหน้าดังนี้ฝ่ายคุนนางทั้งปวงที่ปรึกษาราชการอยู่เห็นสุมาสูเข้ามาเนี่ยทางก็หนิงนิงกันเ ส, สียมิจะปึกษาขุนจ่าประการใดอย่างไรต่อไป พระเจ้าโจโยอยนนะอ่พระเจ้าโจโหองนีน่ก็กลับขึ้นไปประทับแม่บนที่นิอยู่คู่นี้แล้วก็เสด็จกลับเข้าไปขึ้นงในฝ่ายซูมาสูก็ออกจากที่ฝ่าและแต่นั้นคือเป็นการลองดูดงเด็กผลจนเด็จแล้วนี่ตั้งแต่นั้นซูมาสูก็ไม่ได้มีความเกรกลัวพระเจ้าโจหองเลย ขึ้นเกวียนไถส า, ารประมาณพั น, นึ่งถึงสารประวุแห่ออกมาจากวังกลับมาบ้านพระเจ้าโจฮองนั้นแลดูซ้ายขวาก็เห็นขุนนางผู้ยหญ่ที่ปึกษาสามคนชื่อแห้เฮาเหรียนคนหนวิหองคนหน่เปียวอีกมีดาของนางเปี้ยวหองสึ่งเป็นมเหสีคน เหลือแต่สามค น, นพระเจ้าโจฮองก็ขับคนนางปวงออกไปเสียแล้เหยียดคุณนางทั้งสามคนเข้ามาใกล้ยุดมือเดียวอีกเข้าว้แล้วก็ส่งพกันแสงและทีว่ว่าทุกวันนี้สุมาสูดูถูกเรามือนเด็กน้อยมีถูกคุณนางทั้งปวงเหมือนยากแพ้เราเห็นว่าไม่ช้าแล้ว รมมาชสมบัติก็จะต้องเป็นของสุมาสูริ่งองก็ถือว่าข้าพเจ้านี้มีกําลังและสติปัญญาที่จะช่วยพระองค์ได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าจะขอกรารับสั่งของพระองค์ออกไปเคลี้ยกล่อมวุ่นวงทั้งปวงจะได้หาคนมีสติปัญญามีชื่อหนุกกล้าแข็งและถารทั้งวงได้มากแ้ว ก็จะเข้ามากกจักไอ้สัตรูแผ่นดินให้จบได้หนุ่มวิอองคิดแผนการดังนี้มันก็จะทำให้องค์ ร, งรีบัดซีตามามากขึ้นแฮเฮาเหยียนคุณนา่ผู้ใหญ่คนที่สองนี่ก็ทุ่ว่าแฮหลวปา่าพี่ชายข้าพเจ้านีไปเข้าเดพระเจ้าเราเสียงก็เพราะ พวกซมาสูจะทําร้ายแฮว์วป่าถ้าแฮว์วปาพี่ชายข้าวเจ้ารู้ว่าพระองค์คิดจะกําจัดสูมาสูแฮว์วป่าก็คงจะต้องกลับมาช่วยข้าวเจ้าก็เป็นเชื้อพระวงศ์ดุเป็นเด็กดังนี้แล้วจะยิ่งเสียได้หรือจะขอออกไปคิดเกลี้ยกลอมเรืองอนี้หรืออ๋ ดูเห็นแผนการของพี่ อ, องเนี่ถูกต้อง ร, ระเจ้าโจโหฮองก็จีว่ารอพรัพ่นนะเกินเราจะเกิดทำไม่สำเร็จคุณนานสามมายมันเมื่อได้ฟังพระเจ้าโจโหฮองปลัดเกินนั้นก็ร้องไห้แล้วก็ทูบว่าข้าพเจ้าขอตั้งศตั์สาบานพร้อมใจกัน จะคิดอ่านกมจัดไปศัตรูแผ่นดินให้จงได้พระเจ้าโจหองก็เปลี่ยงเสื้อสนงซับหม่ออกแล้วก็ตัดมือลูเอาโรบิขเขียนสือรับสั่งลงในเสื้อนั้นสนงไ้แก่เดียวอีกแล้วก็ถห็ว่าเมื่อครั้งพระเจ้าโจโฉกู่ชั่วของเราถ่าพวกต่างสิงจำนวนมเพราะ พวกตังสินทาการไม่นิทั้งทั้งสามจะกระทาการครั้งนี้ถ้าแพ่งพลายไปสิก็จะนิเป็นกางพระเจ้าโจฮองสมทับอย่างนี้ให้ก็ทําการด้วยนิชิทีหฮองก็ถูระยงางนิทำลายพระองค์ก็มาว่าให้เป็นวาลดังนี้เรากข้าพระเจ้าจะนยู่เหมือนตังสินคนนั้นด้วอสุมาสู จะหละักแหลมเหมือนพระเจ้าโจโฉปูชวดของพระองค์แบบนั้นนี้พระจะสงสัยเลยปีของหลาปูังนันแบก็ลาออกมาเป็นอันว่าห่างไกลสามขุมนางในพระเจ้าจของ คิดวางแผนการที่จะสังหารซูมาสุรขนาดนั้นก็มีผู้อกความรับทั้งตัวเนี่ยไปบอกแก่ซูมาสุรนี่อย่างที่นิฮองเขากราบพูนพระเจ้าโจฮองเขาไว้อ่ะแลือยังไม่ทันไรก็ออกมาไหว้เป็นร้านไปอย่างนี้หรอกข้าพระเจ้าจนันมุ่งเหมือนตังสิงกนันนั้นหรือ สุมาสูจะละแหลมมันก็โจโฉอย่างนั้นหรือพวกพวกจะสงสัยเลยเนี่ยเอารับจะดึกประการใดอย่างไรด้วยความประมาทของนี้ของนั่นแหละความอังว่าเรามันก็จริงไม่รับเพราะมีผู้รู้ดึกความรับันนั้นเจอแล้วก็ความรับมันไปบอกกับสุมาสูสุมาสูพอรู้จะรู้นี่ยโกรธยิ่งนะก็ธรรมดาระดึก่อยู่เป็น ที่อันาจถูกเขาคิดที่จะโค่นอำนาจในยอมโกรธเป็นธรรมดาถือเคระบีพาทา500าหาร5้าร้อยทหารทั้งห0าร้อยมีคนล้แต่ถืออาวุกันทั้งนั้นแหละเข้าไปทีประตูวันก็พบกับแฮฮาวเฮียนวิ้งองเตียวอีกสามบุคคลสำคัญนี่แหละเตียวอิน่ากลัวก็หลบอยู่ข้างประตูวัน สุมาสูก็ถามว่าคุณนมนออกจากที่ฝาาพร้อมกันแล้วเนี่ยแต่ท่านทั้งสามเนี่ยช้าอยู่ด้วยราชการอันดทั้งสามคนเนี่ยก็ตอบว่าพระองค์จะสรงฟังหนัสืพงศวดานให้ข้าพเจ้าอ่านถวายสุมาสูก็ถามตอไปดี ว, ว่าจะสรงฟังพงศวดานขึ้นอะไร วิ่งอย่างไรวิฮองก็ตอบว่ารื่อหือวิอินและจิ้งท้องเป็นมหาอุปราช ม, มีอยู่ในเรื่องไข่เพล็กวิอินและจิ้งท้องเป็นมหาอุปราชครั้นอ่านมาถึงตอนนั้นเข้าพระเจ้าโจหองห่ะถามข้าพเจ้าว่าวิอินหละจิ้งท้องได้บำรุงแผ่นดินมาถึงสองแผ่ดินนั้นทําอย่างไรเข้าเจ้าทั้งสามก็ทูดว่า ีอินและกินทองแต่บำรุงแผ่น ด, ดินมาถึงสองแผ่น ด, ดินก็อย่างที่มหาอุป ร, ราชบำรุงรักษาแผ่นดินครั้งนี้นี่ตอบเป็นเชิโยกยอสัมเสริญสุมาสูอ่สสะสุมาสูได้ฟังก็แกล้งวะร้อแล้วก็คูอว่าท่านท่านสามจะยกเราไปเปรียบด้วยลินและกิ้วทองจุนเรารู้ถึงน้ําใจท่านอยู่ ว่าเอาเราไปเตะกับองมังและปั่นโตซึงเป็นศัตรูราชสมบัติสิดูสุ ม, มาสูว่าดังนี้ทั้งสามคนก็จึงตอบว่าข้าแตเจ้าก็เป็นฆ่าตายเท้าของท่านึ่งจะว่าดังนั้นหาอวนไมมสุ ม, มาสูนะ่รู้ความจริงอยู่แล้วว่าบคุคคลต้งสัการกบอีกก็จะูุ่่นวายข้งฝ่ายสุ ม, มาสูนั้น ก็ให้เกิดป่วยจากสุดเป็นต้อให้หมอมาตัดแล้วก็ใส่ยารักษาอยู่หลายวันนี่การผ่าตัดตานะเขามีมาเป็นนานแววนี่ให้หมอมาผ่าตัดเออให้หมอมาตัดอืมจะตัดรูปตาออกหรือจะตัดเพียงแค่เอาต้อออกก็ตามเถอนนะและใส่ยารักษาอยู่หลายวัน ก็พอดีมาใช้เข้ามาแจ้งว่าบัด น, นี้กองทัพเมืองห้วยหลังยกมาก็จึงให้เชิญ อ, องค์ซกขุนนางผู้ใหญ่เข้ามาปรึกษาว่ากองทัพมูขม่ขิวเขียมยกมานี้เราจะคิดอ่านประการใด อ, องซกก็จริงว่าแต่ครั้งควนอูทหารเอกมีฝีมือปรากฏทั้งแผ่นดินลิ์มองคิดอ่านเปรียบความครอบครัวทหาร ่อยู่ในเมืองเกงจิวนั้นได้แล้วก็มีชายชนะแกะกวนอูครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้ไปเกลี้ยกล่อมครอบครัวทหารมืองว่วยหลังซึ่งอยู่ในแดนเมืองเวกโกนี้ถัดได้แล้วเราจรึงยกกองทัพไปตั้งสกัดไว้ผิด ท, ทางมู่คิ้วเขียนจะกลับเป็นการสกัดหลังก็เห็นจะมีชายชนะเป็นมั่นคง มาสูงก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ชอบแล้วแต่ว่าขบเจ้ายังตววอยู่้าจจะไปเองก็มิได้ซึ่งใจคนอื่นไปนั้นขบเจ้าก็ยังไม่วางใจเลยเกรงจะเสียการจงโวยนายฐานผู้ใหญ่มีจงโวยถูกถูกกล่าวขวัญถึงตอนที่เตียนอุยยด้วยตัวแหวปลาไปก็ถาม วันในแผ่ดินวิโก้เนี่มีใครที่เป็นสามาแฮรหริวปาตอบเกยงอนญีสองคนคือจงโฮยกับเปงไยมีบัตรนี้จะเริ่มเปิดฉากจงโฮยละนี่เมื่อสุมาสูบอกว่าแค่ใครไปก็ไม่ไว้ใจเนี่ยจงโฮยนายฐานผู้ใหญ่ก็จริงว่ะทหารหนึ่ง้ยหลังเข้นแข็งอยู่ซึ่งแช่ผู้อื่นไปนั้นเกรงจะต้านทานนี้อยู่ การครั้งนี้เป็นการใหญ่ถ้าผิดพล้งก็จะเสียราชการไปจงโหย์กล่าวเช่นนี้คือหมายความงานนี้มันสาคัญอา่ายังไงยังไรก็ตามเอถอะท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินควรจะต้องไปเองแหละคือสุมาสูรนะควรจะต้องไปเองแหละแต่จงโหยก็ไม่ถูกเช่นมั้นเพ็นงแต่พุรธ ก, การนี่เป็นการใหญ่ ถ้าผิดพลาดเราจะเสียราชการสุมาสูทั้งที่ผ่าตัดต่อไมออ่ ไ, ไม่กี่วันเนี่ยก็ให้มาน่าขึ้นในใจยืนขึ้นทีเดียวเราก็จึพูดว่าข้าพเจ้าตั ว, วเพียงเท่านี้ก็มีพอที่จะเป็นไรอะจำจะไปเองจึงจะได้การสุมาสูนันก็จึงให้สุมาเกียวพี่น้องรักษาเมือง และให้จูการตุนมีจูกัด์ตแสจูกัด์ตมีมีเป็นหลายคนเหมือนกันคือแสของเบ้ง่ะจึงให้จูกัดตุนนายทหารเป็นแม่ทัพเมืองอีจิ๋ยยกไปปีเมืองฉิวชุนให้อ้าวจุ น, นายทหารเป็นแม่ทัพเมืองเซิงจิ๋ยยกไปสกัดอยู่ตำบลเที่ยวฮองอเที่ยวซองอันเป็นทานที่ขาดสุดแจกกลับ ให้อองตีนายทหารไปตีตำบลติงหลังตัวสูมาสูเป็นแม่ทับหลวงขี่รถยกทัพไปตั้งอยู่ณเมืองทซงหยงคุณนางประฐานทั้งปวงนั่งพร้อมกันนั้นก็คิดอ่านการฝึ่งจำมีชาชนะแก่ข่าศึกที่ปรึกษาหารือกันเนี่ยเตงโ้ที่ปรึกษาก็จจิงว่า บุคิวเขียนคนนี้มีสติปัญญาและความคิดอยู่แต่กราว่าเป็นคนคิดอ่านการสิ่งใดก็หาตลอดใหม่ข้างฝ่ายบุญขิมก็มีกำลังมากแต่ว่าก็หาปัญญาความคิดนิดได้ฝ่ายฐานเมืองเวยล้ํามีที่มือเข้มแข็งกล้าหานะเราจะเลิเลือดูหมิ่นนั้นไม่ได้ขอให้รักษาไา้คูคแหวมันโคง ถ้าเราเห็นกำลังก้าศึกร่วงโยรยลงแล้วจึงคิดอ่านไปให้ยับเยินจะให้ทันรู้ตัวเป็นโป้ไหวอย่างนี้องกี้ก็จิดว่ากองทัพขบวยกมาครั้งเนี้มิใช่ทหารทั้งตวงจะมีใจคิดอ่านมาเองเป็นเหตุก็เพราะบูคิวเขียนคิดอ่านและบรรดาทหารทั้งหลายทั้งตวงนั้ น, นะขับมิได้ ก็จำใจต้องมาถ้าเรายกกองทัพใหญ่เข้าตีก็เห็นว่าฐานทั้งปวงน่ะก็จะพ้อยหนีกระจัดกระจายไปองกีกว่าอย่างนี้สุมาสูฟังองกีเราก็จีว่าที่ท่าว่านี้ชอบแล้วสุมาสูก็เลืนกองทัพหลวงไปปรงอยู่นสัสะพานอินซุยองกีก็จีว่าเมืองลาแต่งนั้น เป็นที่คับขันมั่นคงเราจําจะต้องเร่งรีบยกไปตั้งอยู่ก่อนคือไปยึดไว้ใหไรก่อนถ้าช้าอยู่ข้าสึกมัดตั้งมั่นไปก่อนแล้วเราจะหัดเข้าไปยากผูมาฟูฟังองกีแนี่ยมามเชีเห็นชอบด้วยแขยองกีแข่องกีเจ้าของความคิดนีแหละเป็นกองหน้ายกไปตั้งคาอยู่เชิงกําแพงเมืองลำติง นยดูคิวเขียมนำทัพมาตั้งอยู่ณนเะมืององเสียรู้ว่าสุมาสูยกองทัพมาก็ปรึก ษ, ษาแก่ฐานทัพพวง ก, กันหยงนายฐานกองหน้าก็ถือว่าที่เมืองลำเต็งเนี่ยมีภูเขาและมีแม่น้ากระหนาบอยู่เป็นที่มั่นคงนะถ้าพวกสุมาสูไปยึดเด็กไว้ก่อนแล้วเห็นเราจะเข้าทําการได้ยาก ท่านจงเร่งยกกองทัพไปตั้งอยู่ให้ได้ก่อนเถอะนี่กันหยงมีความคิดเช่นเดียวกันกันกบองคีดูขีュเขียนเดฟังก็ให้ยกกองทัพจะไปเมืองลำเต็งแต่ไปได้หน่อยนึงมาชัยก็มาบอกว่าหน้ามเมืองลำเส็ง น, น, นั้นบัตรนิสานสุมาสูเข้ามาตั้งอยู่เต็มเมืองแล้วนี่สุมาสูไปยึดดแรกก่อนแล้ว มูเขียวเขียมก็ยังไม่เชื่อก็ยกกองทัพใกล้เข้าไปก็เห็นค่ายมั่คนคงมีธงรายรอบอยู่ ม, ยมูเขียวเขียวเห็นดังนั้นก็ถอยทัพกลับไปตั้งค่ายอยู่กลางทางมาชายก็มาบอกว่ากองทัพสุนจุนเมืองกางตังดีสุนจุน ผู้สามารถโขนลงจู่กับเก็กมหาอปราชแหนงกางตังเด้สมิตรคุณเนื้อสุนจุนก็เป็นมหาปราชแห่งกังตังนะสุนจุนเมืองกลางตังยกขาแม่น้ำมาจะตีเมืองชิวชุนมีเหตุการณ์ก็เป็นเช่นนี้คือถ้าทางวีโกกวุ่นวายกางตังก็พยายามที่จะพยายามซ้ําเติมเสฉวนก็คงเช่นเดียวกันแหละ แต่ยังมีกล่าวถึงเสียชวนมีกล่าวเพียงแค่กังตังก่อนกังตังจะปีเมืองชิวชุนละบุคิวเขียนรู้ก็ตกใจก็ว่าถ้ามืองชิวชุนเป็นอันตรายแล้วเราจะกลับไปอยู่ที่ไหนกันได้เราบุคิวเขียนรู้ข่าวทับเมืองกังตังเข้าเท่านั้นค่อยล่าทัพมาในเวลากลางคืนมาตั้งมันอยู่นณะเมืองฮานเสีย ทั้งฝ่ายซูมาสูแกงว่ามู่เขียวเขียงราทัพพลอยไปดังนั้นก็เรีาหาคุณนามมาปรึกษาเปล่าต้านก็จึงว่ามู่เขียวเขียงพลอยทัพไปครั้งนี้ด้วยกลัวทัพเมืองการต่างจะวกหลังไปตีเมืองฉิวฉุนเห็นทีว่าคงจะถอยรับไปอยู่เมืองห่างเสียแล้วก็จะแบ่งทหารไปรักษามเมืองเฉีวฉุนขอให้ท่นานเกณฑ์ฐานยกไปเป็นสามกอง ไปตีเมืองงับแก่เสียเมืองห่างเสียเมืองเฉีวฉุนสามเมืองนี้ก็ประจายว่าฐานเมืองห้งวยหลำก็จะถอยไปเองและท่านจงให้มีหนังสือไปถึงเตงไงเจ้าเมืองกุงจิวซึ่งเป็นคนมีสติปัญญาความคิดให้ยกทัพไปช่วยตีเมืองงักแกเสียเมื่อสําเร็จแล้วก็จะปราบศัตูได้โดยง่าย สุมาสูเด็กฝงก็เห็นชอบด้วยคอยมีหนังสือไปถึงเตงไงไหวยกกองทัพไปตีเมืองงักแกเสียแล้วเราจะยกตามไปด้วยฝ่ายมุกขีวเขยม เขไปตั้งอยู่เมืองหางเสียปกตัวปองทัพสุมาสูจะยกตามมาตีก็ให้มาชัยเนี่ยไปสอดแนมฟังข่าวอยู่เนืองนืองแล้วก็ให้บุญขินมายันไข่ปึกษาหารีกันละว่าข้าพเจ้าเกรงสุมาสูจะยกไปตีเมืองนักแกเสียนี่ก็เป็นความจริงแหละถึงสุมาสูไม่ได้ไป แต่ตูมาสูก็มีหนังสือให้เตไงนายไปตีงักแกเสียแล้วอ่ะตอนนี้บุญคิมเขียนมาวิตกอย่างเนี้ยบุญคิมก็จริงว่าข้าพเจ้ากับมุญเอง๋งจะขอทานสักห้าพันจะไปรักษาเ ม, มืองงักแกเสียไว้ให้ได้ท่านอย่าวิตกเลยบูญคิมเขียนก็ดีใจก็ให้บุญเอง๋งกับบุญคิมขอ่ง คุมทหารห้าพันยกไปครั้งแสบุนพ่อรูกทั้งสองยกทัพไปใกล้จะถึงเขาก็มีมาชัยมารายงานว่ากองทัพเมืองวีก็วกก็กลบเอียงก็สมาสวกองทัพเมืองวีกกยกมาทหารประมาณมนิ่มเสรมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกมีธงขาวปักอยู่เป็นสาคัญและธงเทียวทั้งลวงนะ่ะพร่งพร้อมเอ่อ แต่เห็นว่าจะไมิใช่กองทัพมทหารหรอเห็นจะเป็นกองทัพเจ้ายกมาแต่ว่าธงสําคัญน่ะชื่อสูมาสูบัตบินตั้งค่ายอยู่ยังหาสําเร็จไหมยังตั้งค่ายไม่เรียบร้อยบุนเองยืนมาอยู่ใกล้ก็จึงว่ากับบีดาที่เดียวว่าเขาตั้งค่ายอยู่ยังไมิทันจะสําเร็จถ้าเรายกเข้าไปเป็นสองกอง ตีกระนาดเข้าไปเนี่ยเห็นจะได้ชนะโดยสะดวกบิดาก็ถามว่าเราจะยกไปเวลาใดเดียบุญเองก็จีว่ายกไปข้ามวันนี้แหละเห็นจะได้ช่วงทีบิดาจงคุม้มหนาครึ่งนงยกไปข้างทิศใต้เข้าไปเจ้าจะคุมมหนาอีกครึ่งหนึ่งปีเข้าไปทางข้างทิศเหนือในเวลาเที่ยงคืนให้ยกโจมปีเข้าไปจงพร้อมกัน มีสองพอรูปรึกษากันชนิดวางแผนการดังนี้แลหลนะครั้นเวลาค่้นก็แยกทหารเป็นสองกองตามที่คิดไว้แหละมุนเอ๋งคนเนี้ยมุนเอ๋งลูกมุนขิมคนเนี้ยอายุในะราว18ปเท่านั้นแหละสูงได้ห้าศอกใส่เกราะเน็กกระบองเล็กที่นี่มาเขาหนีมาพิเศษนะไม่รู้จะเป็นอย่างไร จะเหมือนโคโยนต์ของหกหลงของเบงหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขาบอกว่าขี่ม้ายนตเป็นพาหนะ<ไ>หนเข้าไปใกล้ค่ายซูมาสู<ไหน>อ้ามนี่เขาขี่ม้ายนตแล้วนะ<ไห>นเขาว่าอย่างนี้แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไร พี่ฝ่ายฝ่ายซุมาสูตัางทับอยู่คอยทับเตงไงแจ้าเมืองกุนจิวที่มีนังสื้อให้ยกมาเตงไงก็ยังไม่มาพี่ซุมาสูเนี่ยผ่าตัดต้อกปวดลุกตาตัวนี้เป็นกำลังก็นอนอยู่ในเตียงใค้ฐานสามร้อยร้อมวงรักษาตัวอยู่ ครั้เวลาเที่ยงคืนได้ยินเสียงทหารม่ค่ายเอกระเราะวุ่นวายทั้งมาทั้งคนค่อยทหารไปถามดูก็ได้เนื้อความว่ามีทหารคน ม, มีกำลังพลังมากนะัดไม่มีผู้ใดจะต้านทานได้ไล่ตีบุกลุกก็มาจากข้างทิศเหนือนี่ข่าวข่าวเสร็จตีตะลุยก็มาตั้ข้างทิศเหนือทหารคนมงเท่านั้นแหละคือ มึนเองเน่ก็คงตีตะลุยเข้ามาก่อนพรายพลของตัวสุมาสูดิกใหญ่แ้ก็ตกใจนะในอกเนี่ยให้ร้อนเหมือนถึงเพลิงเผาก็โกรธพุ่งขึ้นมาโรคจัดฉุนนึก็กำเริบกำเริบหนักถึงกับลูกตาเนี่ยประทุออกมาเลยนี่โกรธหนักระงับไม่อยู่ จะยังรา ย, รายการใดก็ตามตรงหมายท่านโ ก, โกโรธต้องเลยว่าโกโรธสุดที่จะกล่าวเลยขนาดลูกตาประทุกออกมาเลยอ่ะแต่ก็มาเกิดความกลัวว่าฐานทัพจะเสียใจอ่ะก็ผ้าผุยห่มนอนเนี่ยใสยป่ปากพระห่มเคี้ยวเคี้ยวเพื่อสะกดระงับความเจ็บปวดจนเ้าห่มขาดขี่สมาศุภี่ิษ ฝ่ายบุญเองพาทหารแห่ไข่เข้ามาได้นะ่ะตนเองนะ่ะขี่ม้ายนตลุยไร่ข้าวฟันทหารสุมาฮีร้มตายเป็นอันมากบุญเอ๋งบ่ายหน้าไปทางข้างทิศไหนก็วิ่งมากไปไม่มีผูดด้ใดจะต้านทานได้ตีแต่ฝ่ายเหนือฝ่ายเดียวตีตะรุเข้าไปทางทิศเหนือก็ดูบิดาจะยกตีกระนาเข้ามาทางฝ่ายใต้ก็ไม่เห็นทักทิศข้าจะตีต่อเข้าไปถึงทัพหลวงหรือ ทหารฟูมาส่วนเป็นทัพหลวงนั้นก็ยิงเกาทันสกัดกั้นเข้าไว้ดังหาฝนมุนเอง็งแต่บุกรุกไล่อยู่เช่นนั้นจนสว่างก็ยังหักเข้าไปไม่ได้ครั้นรุ่งเชา้าก็ได้ยินเสียงแปรเสียงกลองสำหรักองทัพู้ประหลาดใจคิดว่าเอฟเป็นไรอ่ะบิดาเราจึงไม่ยกมาทักสักทีทำไมอ่ะไม่ยกมาทัก ทิใต้สักทีเสียงแปรสเสียงกรองนี่ออกคงจะเป็นกองทัพของบิดาเราเองแต่ทำไมอ่ะกลับยกมาทางข้างทิศเหนือคือมุนเองคิดอัศจรรย์ดังนี้คือได้ยินแต่เสียงยังไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ก็รูู้่กองทัพบิดาตนจะยกมาช่วยกันเนี่ยแต่ทำไมกลายเป็นมาทางข้างเหนือนี่ก็คว้มมาไปดูแทนไปเห็นกองทัพของบิดาตนดังติดตัวคิด กลับไปพบกับกองทัพของเต็งไงเต็งไงขีมา้าขึงาวนำม้าทหารร้องก้ามาเลยทีเดียววะไอ้ขบวต่อแผ่นดินมึงยันหนีกูเลยเร่งมาสู้กันบุนเองได้ยินดังนั้นตมเองก็ขึมือาถรนพ์ย่ไม่ไหวอันชะกันยิ่งเพียงส8แปดเท่าเนี้ย ทั้คืนมิตรรูยรบมาทั้งคืนแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครประทาตตนได้และมาถูกเป็นงางร้องด่าเจนี้ก็รั้ทวนเข้าไปสู้สู้กันได้ประมาณห้สเพลงก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันหลักแต่ขณะเมื่อรบกันอยู่นะ่ะทหารซูมาสูร่วกเป็นไงหมุนมาช่วยทหารซูมาสูก็หมุนออกมาเหมือนกันปีเกินหนาหมุนเอ็งเข้าไปทั้งขันหน้าขานหลัง ฝ่าบุญเอ๋งนะมันมีฐานน้อยตัวกว่ายิ่งนะบรรดาทหารก็หลบหีกหนีเอาตัวรอดติดก็ยังแต่บุญเอ๋งแต่ผู้เดียวแหละรบแวกทะหารชุมาสูเป็นชุลมุนอยู่ในวงล้อมนั่นแหละจนในที่สุดเมื่อฝีมีของบุญเอ๋งและด้วยเจ้ามาา้ายนพาณาอวิเศษตัวนั้นนะ่ะก็าสามารถพาบุญเอ๋งแหวกวงล้อมหนีออกไปได้หนีไปทางข้างทิศใต้ ฝ่ายทหารซูมาสูประมาณร้อยหนแต่รู้วมีฝีมือก็ควกม้ า, าไล่เตกตามบุญเองไปทีเดียวทหารมีฝีมือจานวนร้อยติดตามบุญเองไปถึงสะพานเมืองนักแกเสียบุญเองนั้นเห็นทหารไร่กระชั้นใกล้เข้ามาจะทันอยู่แล้ว ไม่สู้ก็จําต้องสู้ล่ะก็ชักมากระมาไล่ร้องตวาดมุกมันเข้าสู้กับทหารมีแค่ีจํานวนร้อยมีของสุมาสูนีแหละทหารจำนวนร้อยมันต่างก็ถอยร่นเลยมุนเองก็กลับมาค่อยเดินไปทหารสุมาสูคุมกันเข้าได้แล้วก็ไม่ยังไม่กลัด